งองอยงยจงใใ จ, งงใจใในา่ทะไรการวันะจะเข้าไปสู่รายการเคสสตดดี้พี่ชายที่แสนสามดี ลูกพีพี่น้องทั้งหมด6คนลูกขวัดปี2 5 2ห้อเพราะมีพี่ชายคนที่สเป็นกันลยาณมิตรให้กี่ปีแล้วจ้า น, นี่กี่สองปีหลังจากนั้นลูกก็ได้ตั้งใจทำบุญทุกทุกบุญที่คุณคณรูไม่ใหญ่เมตตาให้ลูกๆได้สั่งสมบุญบารมีเสมอมาไม่ได้ขาดตัวลูกเองเนี่ยจบการศึกษาอนุปริญญา ด้านบัญชีเมื่อปี2523หลังจากจบการศึกษาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนะี่ยกำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าอะไรจนกระทั่งปลายปี2530พบกับสามีความรู้สึกว่า คอยก็หายไปว่ารอคอยอะไรบางอย่าง ก, ก็หายไปพุทธนั่นมาเลยพุทธนั้นมาก็หายไปเลยตอนนี้สามียองลูกประกอบธุรกิจโรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ผ้าอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐ ม, มประสบปัญหามากมายทั้งงานลูกค้าคนงานและเครื่องจกักร ทั้งคนทั้งงานทั้งเงินนั่นแหละขนาดนั้นนี่มีหนี้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าล้านลูกก็ได้บอกกับเขาตั้งแต่พบกันวันแรกว่าเขามาเนี่ยมาใช้หนี้ให้นะมาทําที่นี่หนี้แล้วก็มาทําที่นี่คือรองงานเนี่ยไฮสว่างแล้วจะไปบอกเหมือนกับพูดพยากรในอนาคตด้วย ในระหว่างการทำธุรกิจนี้ลูกก็ช่วยสามีทํางานทุกอย่างอย่างเต็มที่เขาก็ไว้ใจลูกมาเขาปรึกษาลูกในทุกๆเรื่องเลยแลวเขาก็จะทึ่งและอัศจรรย์ใจลูกในทุกเรื่องเลยเขาเคยพูดว่าลูกคือขุนพลของเขาอือคือเขาเป็นประดุจพระราชามีภรรยาเป็นประดุจขุนพลอืม สามีประดุดพระราชาภรรยาประดุดขุนพลลูกก็เ l ิ r t สิคะเมื่อเขาบอกว่าลูกเป็นขุนพลของเขาก็เลยทุ่มเททั้งกายและใจช่วยเขาสร้างฐานะได้ดีตลอดมาอมืเห็นไหมจ๊ะมีคําพูดจะเป็นสมบัติเพราะะฉนั้นต้องพูดที่เป็นนะคําพูดเนี่ยเราจะให้สมบัติมันสลายล่มสลายไปกลายเป็นอากาศหรือว่ามีสมบัติเพิ่มขึ้น อยู่ที่ใช้าคานั่นแหละพูดให้ดีจะให้หุ้นส่วนรักกันหรือให้แตกกันก็ได้นะ <Yeah. S 1> จ๊ะพราะนั้นเวลา ง, งดยิดเขาจะไปพูดให้หันไปทางทิศอื่นที่ไม่มีหุ้นส่วนอยู่ใกล้ๆหรืออย่าอยู่ให้ออกห่างไกลจากสถานที่นั้นในระดับที่เขาไม่ได้ยินเสียงตะโกนของเราแล้วพึ่งไปพูดกับต้นไม้หรือเปิดฝาองฝาต่มปลอกลงไปเลย ไอ ห, หูเราได้ยินหรือเข้าหองน้ําปิดประตูจะตะโกนแล้วก็กวา่ากันไปเตะล้างน้ำต า, าเสร็จออกมาก็ยิ้มอมแล้วก็พูดก็ดีๆอย่างนี้อุ่นส่วนชีวิตก็ดีหุ้นส่วนบริษัทก็ดีจะรักกันจะสา ม, มัคคีกันเดี๋ยวาพึา่งคิดว่าเออฉันจะพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างเขาคงไม่โกรธฉันหรอกก็เขารักฉั น, นอย่าพึงคิดกับมนุษย์ที่มีกิเลส ที่มาอยู่ ใ, ใกล้ๆเราที่เราไปเลือกมาเราไปเลือกอมนุษย์มีกิเลสมาคนไม่มีกิเลสเขาก็ไม่ให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแตมนุษย์มีกิเลสเพราะฉะนั้นเราไปต้องศึกษาศิลปะในการอยู่กับมนุษย์ที่มีกิเลส่าเราจะคิดอย่างไรเราจะพูดอย่างไรเขาเห็นไหมจ๊ะนี่แม้แต่ไม่ใชฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอเนี่ยบางทีนักเรียนบางคนนี่กับมันเหลือทนจริงๆต้องถือแปลงเตรียมลบท์ แล้วก็นึกในใจฉันจะเป็นแสงสว่างเธอแล้วกัดฟันนิดหน่อยแต่อย่ากัดเยอะเดี๋ยวฟันสึกนี่ก็ใช้คำพูดเป็นในปจนี่ดาริ่งเธอเป็นคุณผลของของของเขานะเห็นไหมจ๊ะลุยสะบ้า น, หนแหลกกันไปเลยปีสามสามต่อมาปีสามสบลูกก็ตั้งคันนับแต่นั้นธุรกิจของซีมีจากที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีไปได้สวย แล้วก็รวยด้วยหลังจากก็ลกูกษาได้หกเดือนก็ปลอดนี่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว <Okay. S 1> เอาละเสียไหมใช่ uh oh. เพราะใช้ถ้อยคำเป็นนี่นี่ถ้าคุณส่วนกันจะใครใช้ก็ถ้อยคำไม่เป็นเดี๋ยวก็แยกกันแม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแต่การทำโรงงานน่มันเหนื่อยเหนื่อยเป็นงานที่เหนื่อยจะหาเวลาพักได้ยากลูกและสามีจึงปรึกษาหารือกัน จะหาคนมาเช่ากิจการไปจะดีกว่านะแล้วก็เอาค่ค่าเช่าแต่เก็โอเคปัจจุบันธุรกิจโรงงานก็ได้ให้ผู้อื่นเช่าไปแล้วตั้งแต่เมษายนสองห้าสี่ศูนก่อนจะเกิด i m เอมอพอดอีคนอื่นรับช่วงไปก่อน <c oughs> เห็นไหมจ๊ะ <c oughs> จึงทำให้ไม่ต้องประสบกับภาวะ IMF มและลูก <c oughs> ก็ได้มีเวลาคาวัาสดาบรมีได้อย่างส ม, ม่าเสมอขึ้น แต่อณนิจังอานิจจาเวลาผ่านไปสามีที่เคยเรียกลูกว่าลูกคือขุนพลของเขาเขากลับหาขุนพลใหม่เขาเริ่มมีขุนพลใหม่เริ่มมีผู้หญิงคนใหม่แล้เ ร, เริ่มไม่ไว้ใจขุนพลเก่าเริ่มไม่ไว้ใจลูกเขากลัวว่าลูกจะฟ้องร้องเอาสมบัติของเขาทั้งงได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันนะ แม้แต่ขณะนี้เขาปลูกบ้านใหม่ปลูกบ้านใหม่แล้วแล้วจะย้ายตัวเขาไปอยู่ที่คาร์เรหาดหลังใหม่ไปอยู่กับหญิงคนใหม่คนเก่าไว้ที่เดิมทำให้ลูกนี่เสียใจมากสามีเคยทำบุญเสาเข็มแต่เขาก็ยังทำบุญเสาเข็มมาทาการใจดีสารต้นนี่เธอ เธอระลึกนึกถึงความดีของสา ม, มีเห็นไหมจ๊ะสามต้นแล้วสร้างของพระสี่องค์<า>แต่ว่านั่นเป็นอดีตต่อมาเมื่อวัดมีเรื่องตามกระแสสื่ อ, อก็เลยไปตามกระแสสื่ อ, อปัจจุบันยังไม่ยอมเข้าวัดสร้างบารมีเลยค่ะตัวลูกเองมาประสบุบัติเหตุทางรถยนต์มาบ่อยเช่นวันที่ส3บสาตุลาคมสองัห้าสามห ลูกขับรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านอย่างพุทธมนตนสายสี่เกิดอุบัติเหตุเชิญกับมอเตอร์ไซค์เนินขับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเขาเ ข, ข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันก็เสียชีวิต oh. แล้ววันที่ยี่สิบหนึ่งมีนาคมสองห้าสามดอีกสองปีต่อมาลูกขับรถผ่านซอยแห่งหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ขับขับพุ่งมาชนรถของลูกจนประตูด้านซ้ายเปิดไม่ได้ ก็จกแตกบาด ท, ท้าลูกสาวที่นั่งมากับลูกเล็กน้อยขนาดนั้นลูกสาวอยุติสี่ขวบแต่คนนั่งซ้อมซอนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเสียชีวิตทันทีเกิดอุบัติเหตุเขาขอยืมรถของเธอเดินทางสู่ภราโลกสองคนเ อ, อ่ยืมรถของเธอมาใช้นี่กรรมใช้กรรม แต่รถขอเราอย่าให้ใครยืมมาใช้อย่างนี้กันอะไรงอธิษฐานในดีบอกไปไกลนวสอยฟ้าก็มีนะตอนมุงต้นไม้เลยนะั่นเนาะเสียเวลารวยเนาะ ใ, ในปัจจุบันลูกมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์บ่อยๆได้ยินตามลําพังแต่ถามคนอัาบข้างก็ไม่มีใครได้ยิน<อ>แล้วก็มักจะเห็นดวงแก้วใสใดวงแก้วเรียงกันเป็นสายทุกวัน บางครั้งครับขับรถอยู่ก็เห็นดวงแก้วใสลอยผ่านตาไปหรืออยู่ตรงหน้าลูกสาวโลกขวัตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมาอยู่ทวดองตั้งแต่อยุคได้ควบกว่าที่ขวบกว่ามาอยู่ทวดงแล้วแล้วก็มาเข้าอยู่ทุดองบ่อยๆเมื่อลูกสาวอยู่ได้ประมาณสองขวบกว่าพี่ชายคนที่สี่ที่แสนสามดี ของลูกคนที่เป็นกัลยาณมิตรชวนลูกขาวัดนั้นยังได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสาวของลูกอีกด้วย<อ>พิจารณ์ที่สี่นี่แล้วยังได้นําลูกแก้วมาให้หลานเพื่อเอาไว้ให้ตรึกก่อนนั่งสมาธิพอลูกสาวลูกดีใจมากรับลูกแก้วไว้ในมือแล้วก็พูดว่ามามา่าเอาลูกแก้วและยื่นให้มาม่าดูบอกมามา่านี่คืออัญมณีของหนูน ทิ้งนอกอ้อมบนูลูกทราบซึ่งวิชาที่กรรมธิกรามิดให้ลูกเสมอมาครับ เ, เป็นวิชาที่แสนสามดีมากๆค่ะเจ้าเดีลูกสวดมนต์ธรรวัดเย็นลูกสาวจะนอนอยู่ข้างลูกจะไม่ได้สวดมนต์ด้วยนะตอนนั้นเธ อ, อยังเล็กอยู่เมื่อกลับบ้านขณะที่อาบน้ําให้ลูกสาวลูกสาวสบายใจลูกสาวจะสวดมนต์ธรรมวัดเย็นให้ลูกฟังเอาวแล้วสิ เราจะเรียกว่าเด็กน่ยตัวเล็กๆจะไม่รู้เรื่องเธอกําลังเป็นนักเรียนกําลังศึกษาเรียนรู้สังคมใหม่ชีวิตใหม่ที่เธอเพิ่งเกิดมาเหมือนเราไปเกิดใหม่อยู่ในภพภูมิใดก็ต้องศึกษาเรียนรู้ที่นั่นแหละแต่นั้นถ้าผู้ใหญ่ดื่มเหล้าอยู่ในสายตาเด็กสูบบุหรี่ก็อยู่ในสายตาเด็กเล่นกามานานก็อยู่ในสายตาเด็กพอแม่ทะเลาะกันก็อยู่ในสายตาของลูกที่ยังเด็กเด็กอยู่ในเพดัะนั้นอย่ามองผ่านนะเห็นไหมใช่ นี่ทำความดีให้ลูกดูสวดมนต์ธรรวัดเย็นทุกๆวันลูกอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ว่าพอลูกสบายใจตอนช่วงอาบน้ําให้เธอเธอสวดมนต์ธรรวัดเย็ น, ยนอย่างนี้ปลื้มไหมปลืม้มปลื้มทีเดียวเนี่ยแต่ลูกก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาไม่ได้สวดมนต์ธรรวัดเย็นกับลูกแต่ทําไมสวดได้ไม่เคยเห็นเธอสวดเลยแล้วเมื่อได้มีโอกาสมากราบคุณยายกลางคุณยายท่านก็กล่าวว่า คนโบราณทั้นว่าเด็กมีบุญเพ่อแม่จะรับในไหวยันลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนอืมต่อมาเมื่อยุติสิบสองขวบลูกสาวก็ไม่ค่อยยอมมาวัดไม่ยอมนั่งสมาธิติดวัตถุนิย ม, มรู้เรื่องอันที่สองการ น, นาบนเลืบาปดีแต่ก็ไม่ค่อยยอมนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังลูกเลยค่ะขณะนี้อายุสิบห้าปีแล้วก็จะเพิ่งท้อใจก็เป็นวัยของเธอนะจ๊ะเป็นวัยของเธอ เป็นอย่างนี้ประเดียวบ้ด่าเท่านั้นแหละเป็นแม่สามีเคยผ่าตัดสมองสองครั้งเพราะเพราะว่าล้มในห้องน้นจาใครก็ไม่ได้มาสิบกว่า ป, ปีแล้วปัจจุบันไม่สามารถช่วยตัวเองได้คำถามบุปกรรมอะไรช่วยจำได้ไหมจ๊ะบุบกรรอะไรลูกจะมีความรู้สึกว่ากำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ามอพบสามีแล้วความรู้สึกว่าคอยก็หายไป ลูกและสามีมีบุปกรรมร่วมกันมาอย่างไรที่ลูกผู้กับสามีในช่วงจะพบกันแรกๆว่ามาใช้นี่ให้นะมาทำที่นี่ให้สว่างแล้วจะไปแต่ยังไม่ทันไปก็ไปก่อนไปยู่อีกหลังหนึ่งหลังนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่ ก็เป็นไรมีคนช่วยดูแลแทนดิพิสิทธิ์หลายมากมายจะได้เข้าวัดได้สะดวกเป็นเพราะอะไรมาโดนใจให้ลูกพูดเช่นนั้นและเป็นเพราะกรรมใดลิขิตไว้ให้าเมื่อหมดนี้แล้วชีวิตคู่ก็ต้องจากกันไปโอ้ก็เอายังไงลหรอเราก็มาเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันยังไงสักวันก็ต้องจากกัน ดูนางพัฒกาพิราณีกับปิปปริมานพเป็นสามีภริยากันมาแสนชาติไม่เคยพลากจากกันเลยเป็นเงาติดๆๆๆๆๆๆกันอย่างเงี้ยตลอดชาติสุดท้ายเนี่ยขนาดรักกันมากแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ก็ปรารถนาจะเป็นพรหมจรรย์ด้ยวยกันทั้งคู่โดยไม่ได้นัดไมไม่ได้ไม่ได้นัดหมายกันไว้เลย เพราะเปนคู่บุญคู่บารมีสั่งสมบารมีจนกระทั้งหมดความจำเป็นที่จะใช้ชีวิตคู่พอจะพลากแยกจากกันแผ่นดินไหวเลยโอ้ไม่ เ, เคยเจออย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นจะไปคิดอะไรมากเป็นเพราะบุญใดามาลูกสังคันลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีหมด น, นี่เร็วแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตลอดเรื่องนี้ก็มีเหตุนะจ๊ะ ราบบุญไดาสามีจจงได้คนเช่ารองงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทําทำให้ไม่ต่างเกิดกับวิกฤตในช่วงนั้นและในช่วง IMF สามีก็ไปต่างทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทำไมลูกจะมีสามีเจ้าชูคะตรณีและปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่เกียดยกย่องในฐานะภรรยา เขาก็อาจเป็นไอคิดว่เป็นศัตรูมั่งแต่กระตายัางกำลังมุนๆอยู่นะลูกต้องทําบุญอะไรละอธิษฐานอย่างไรครอบครองลูกจึงจะเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวนักสร้างบุบารมีมีศีลศรัทธาทิฏฐิเสมอการลูกจะวางใจอย่างไรวางเบาๆสิลูกคิดอย่างไรคิดถึงดวงใสๆ แล้วทําอย่างไรทําหยุดนิ่งเมื่อต้องอยู่คนเดียวก็ต้องทําอย่างนี้แหละนี่เธอถามมาครอบครัวแจกเช่นนี้ลูกจะสามารถเป็นกระมิตงให้เขาเข้ามาสร้างบารมีรกับหมู่คณะได้หรือไม่ได้เป็นกระมิตงได้ทุกคนนั่นแหละจ้ะแต่เราก็จะไปคาดหวังอะไรนะจ้ะแต่ทําหน้าที่กัลยาณมิตรได้มันก็เป็นบุญของเรา ส่วนเขาหรือใครก็ให้ก็ตัดสินใจที่ตรงเขาเองเพราะ บ, บุพบกรรมอะไรทําให้ลูกจะมาพบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิตถึงสองคนเราจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรเพราะไม่ได้ตั้งใจต้องทําบุญอะไรไม่ให้ลูกพบบุพบกรรมเช่นนี้อีกและไม่ให้มีวิบากเกิดตัวไปคนสองคนที่เกิดอบัติเหตุกับลูกแล้วนะ่ะตายแล้วไปไหน ลูกที่ทำมุลสร้างพระทําการจำตัวให้ oh. เขาได้รับบุญหรือไม่อย่างไร <Yeah. S 1> แล้วเอาโหสิกรรมให้ลูกหรือไม่ปัจจุ บ, บันอยู่ในพบภูมิใดทำไมเมื่อลูกสาซึ่งอายุเพียงสองขวบกว่าเขารับลูกแก้วไว้ในมือแล้วจึงพูดว่านี่คืออันในจักรของหนูคุณยอาจารย์ทราบบุปกรรมอะไรจึงกล่าวว่าคุณโบราณสามาัเด็กมีบุญพ่อแม่จะรับในไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลียไว้ก่อน ก่อมาเกิดลูกสาวของลูกเขาเป็นใครเขาเป็นกายละเอียดจ้ะมาจากไหนมาจากที่สว่างเขาจะมีความกตัญญูลูกหรือไม่มีจะจะเอามาใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งต่อไปเขาจะมาสร้างบารมีกับหมวกคณะหรือไม่คะอืมเขาคิดได้เขาก็ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้ ไปคิดได้ก็มาได้บุพกรมมารมอะไรคุณแม่สามีเจงต้องผ่าตัดสมองสองครั้งและจําใครไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องทําบุญอะไรให้ท่านเจงจะหมดกรรมในระหว่างนี้จะช่วยท่านอย่างไรให้ท่านตรักถึงบุญระหว่างใช้ถูกก่อนท่านจะละโลกไปก็ยังทํำนาทีของลูกสะพ้ยที่โอ้หน้าชื่นชมจริงๆนะจ๊ะน่าชื่นชมมากทีเดียวแหละ ก็เป็นบุญของเธอแหละลกเด็กทำบุญสร้างพระธรรมการทั้งภายนอกภายในและทําบุญทุกบุญใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่อุทิศส่วนกสันไม่ให้นะท่านได้รับหรือไม่อย่างไรปัจจุบันท่านอยู่ในภพภูมิใดมีข้อความฝากถึงลูกบ้างหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของทุกๆคนในโลกแม้ว่าบางคนเชื่อว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างเหล่านั้น ก็มักจะคิดอย่างนี้นะเพราะเหตุใดลูกจึงได้ยินเสียงพระสวดมนต์แต่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินตามลําพังและเห็นดวงแก้วใส อ, อเรียงกันเป็นสายลูกและพิ่ชาคนที่สี่ทเป็นกะไรมิตรชวนเข้าวัดมีบุญกรรมกันมาอย่างไรเราทั้งสองจะเป็นกะไรมิตรให้กันเสมอและเราทั้งสองช่วยกันเป็นกะไรมิตรชวนพี่น้องเข้าวัดได้ทุกคนนี่ก็ น, น่าทึ่งครับ ล้วทั้งสองสร้างบรมีรมกัหมูขนาะมาอย่างไรคะแล้วเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ก่อนเกิดลูกมาจากไหนจำเรื่องราวเนื้อเรื่องและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ ลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไลฟังปนิยายปารัมปรากันชาลูกมีความรู้สึกว่าคอยอะไรบางอย่างแต่พอพบสา ม, มีความรู้สึกนั้นก็หายไปละแน่ดีลูกและสา ม, มี เคยทําบุญร่วมกันมาโดยเคยเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ทําบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าคอยจะมาเจอกันและก็มาเป็นสามีภรรยากันอนีนั้นลูกจะมีความรู้สึกว่าคอยใครหรืออะไรบางอย่างลึกๆอยู่ในใจกระทั่งได้มาเจอสามีแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ แต่รู้สึกว่าคอยใครแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าใครคอยคุณอยู่นี่อีกเรื่องหนึ่งเขาคอยคุณอยู่เลยแต่เขาอยู่ในตัวของคุณอันนั้นเขคอยคุณอยู่นี่คุณคอยเขาเนี่ยถ้าคุณคอยเขามันก็จะเป็นจะอี้หน่ะแต่ถ้าเขาคอยคุณอยู่เน่ะเขาอยู่ในตัวคุณในคนละเรื่องกันเลย มันจะมีความสุขสีเดียว <c oughs> มันขึ้นอยู่กับ ใ, ใครคอยใครที่ราพผูก้กษามีในช่วงที่พบกันแรกว่ามาใช้นี่ให้นะมาทำที่เนี่ยให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะอาดีตชาติสัญญาผูกพันข้ามชาติภาพเก่าในอดีต เคยเป น, นี่เขามาพอรักเขาพูดให้กำลังใจรูาจะมีเหตุผลที่น่าฟังท้สิเรามาฟัง<อ>เป็นเพราะผังเก่าแนดีติดมาก็เรื่องมีอยู่ว่าตัวลูกเด็กเคยเป็นกัลยาณมิตรที่สามีได้มาสร้างบา ร, รมีกับหมูนะ่คณะ โดยยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกทั้งสามีก็มีภรรยาอยู่แล้วคือในช่วงนั้นเน่ยเขามีนิสินมากกลุ่มกำลังพึงให้ลูกฟังลูกก็มีหัวใจเป็นกะไายานมิตเพราะว่าเขาวัดกันมาทำบุญกับหมูกก่คณนะฟังธรรมะกันเลยไปเป็นกะไรมิตให้เขา เป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปเขาก็ตัวลูกก็ชวนเข้ามาทำบุญบ่อยๆทำไปทำมาเขามีภรรยาอยู่แล้วเขามีนิศินกลุ่มจึงลำพึงให้ทุกคนฟังโดยเฉพาะตัวลูกเด็กฟังแล้วสงสารสงสารก็อยากทำหน้าที่กลยมิตร เพราะว่าเราได้มาพบความรู้อันยิ่งใหญ่แล้วจากหมู่คณะก็เลยไปถ่ายทอดเป็นการวิทยว่าคุณต้องทําทานสิตอนช่วงนี้บุญเก่าคุณขาดรู้ไหมคุณต้องทําบุญใหม่บุญใหม่นี้ใครจะได้ไปช่วยจัดร่อนวิบากกรรมเก่าแล้วจะที่กมสมบัติใหม่ให้ด้วยคุณมาทําทานก็บอกให้ไปชวนกันเรื่อยเขาก็ทําำทีเดียวเขาก็เอ๊ะเอ๊ะดีนี่ทําทานดีนี่เอ๊ะดีนี่คนที่บอกให้มาทําทานดีนี่นี่ มันดีหลายอย่างเลยปิ้งกันแล้วเขาบอกตรงๆเลยว่าคุณคุณเป็นคนดีแล้วเกินไม่เคยเห็นใครดีอย่างนี้เท่าตัวคุณเพราะนั้นคุณมาเป็นภรรยาผมเถอะเขาพูดตรงๆงี้ลูกก็ไม่เคยเจอใครพูดตรงๆงี้ใจของลูกที่แข็งก็อ่อนปวกเปียกโอเคตน ะ, คะตกลงเป็นสามีภรรยากัน แต่ว่ามีข้อแม้นะคุณต้องไปเลิกกับภรรยาเก่าก่อนถ้าอย่างนี้ได้แล้วก็ฉันถึงจะอยู่กับคุณนี่ในสตรีสามีก็ไปเลิกกับภรรยาเก่าพราะรักเธอเมื่อมาอยู่กับลูกในชาตินั้นก็หมดหนี้สินจริงๆเนี่ยหนี้สินึต่างก็งหมดได้บุญปัจจุบันที่ทําไว้ตามคาแนะนําของลูก แต่พอเขาดีขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยเลิกทำบุญไปเลยคือเราได้ทรัพย์กับคืนไปแล้ว<อ>ได้มีภริยาใหม่เพิ่มขึ้นอือเอาอยู่ว่างๆทำให้ลูกช้ำใจในชาตินั้นแล้วก็ในสุขเลิกกันจะ้ะชาตินั้นผังนี้มันติดตัวมาจ้ะ<อ>เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรท้ำใจใสเนี่ยจะอยู่คนเดียวตามลำพังหรือจะใช้ชีวิต ค, คู่ถ้า อยู่แล้วสร้างบารมีทํำไ้เทิร์ดอยู่คนเดียวเราก็ทำได้อยู่คนเดีย ว, วยเรามีเงินร้อยหนึ่งนี่นะทำบุญได้ร้อยหนึ่งอยู่สองคนเราสองหานทาได้ห้าสิบบาทมีลูกอีกคนหารอีกแล้วทําได้ยี่สบ้าบาททาได้ยี่สบ้าบาทเห็น ไ, ไ, ไหมจ๊ะถ้ามีสามคนเหลือห้าบาทออตอนนี้เนี่ยอยู่กับลูกสาวเนี่ยทำบุญสบายเลย วัน่งตั้งคานลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีตอนตั้งคันลูกสาวหมดหนี้เร็วและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพราะบุญของตัวลูกเองที่เคยชวนสามีทําทานกับหมู่คณะใน่ดีทั้งกล่าวได้มาส่งผลในช่วงที่ตั้งคันลูกสาวจึงทําให้กิจการดีขึ้นจ้ะตัวลูกไปชวนสามีทําทานบุญ น, ะนั้นมาส่งผล ในจังหวะที่ลูกตั้งครรจึงทำให้กิจการดีขึ้นจ้ะแต่วันใดที่บุญเก่าของสามีหมดสามีก็จะไม่สะดวกอนปัจจุบันแล้วก็จะมีอุปสรรคของชีวิตจ้ะทีงไราจะทามีบุญแล้วก็เราก็จะครอบครองสมบัติได้ถ้าหมดบุญลองรับทรัพย์ก็หายไปมันจะมีเหตุให้ทรัพย์หายไปเพราะนั้นทรัพย์มันจะต้องพลาดจากเราสักวันหนึ่งเดียว ดีสุดเอามาทำบุญซะก่อนที่คนอื่นก็จะมาเอาไปจี้มั่งปล้นมังมม่งขโมยมั่งหรือขอลืมมัง่งขอยืมด้วยกันขอยืมแล้วขอลืมไม่ขอยืมแล้วขอลื ม, ม, ม, ลลมนี่มันช้ำใหญ่นะไม่ให้ยืมก็โกรธให้ยืมไม่เท่าที่อยากจะยืมก็โกรธอีกขอยืมร้อยให้ห้าบาท โกรธยืมไปแล้วเขาไม่ใช้คืนโกรธอีก <c oughs> อกตกลงยังไงดีเนี่ย <c oughs> ให้เขาไปเลยดีกว่างเงี้ยให้ก็เป็นทาน <c oughs> แต่เราก็ต้องดูย้ายเราเดือดร้อน <c oughs> เพราะว่าไอ้ยืมไม่ได้คืนก็โกรธไปทวงก็โกรธให้ไม่ได้เท่ากับทานที่เขาก็โกรธอีก <c oughs> รวยเองเนี่ยจะดีที่สุดเลย สามีที่คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทาให้ไม่ต้องเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงนั้นเพราะบุญเก่าที่ลูกเด็เคยชวนเขาทำทานกับหมู่คณะดังกล่าวมาส่งผลให้ตัดสินใจให้คนมาเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF จะบุญมันดาลในช่วง IMF สามีก็ไปจางทำงาน แต่มีรายได้ดีสม่ำเส ม, มอมาจานถึงปัจจุบันเพราะบุญเก่าแน่ดีนั้นกล่าวยังส่งผลอยู่แต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สร้างบุญใหม่ให้ต่อนเนื่องความสะดวกสบายในปัจจุบันก็จะอันตรธานหายไปเลยจ้ะมันเหมือนพยับแดดทีเดียวแวบบมีเหมือนไม่มีมันจะหายไปเลยนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะ เมื่อเงินก็คือกระดาษแต่ล้ตัดกระดาษเองทำเงนินเขาว่าตำรวจจับด้วยทำปลอมบกกระดาษเหมือนเงินปลอมได้ไงเออ ล, ลึกนะมันแปลกทีเดียว <laughs> ถึงจะเป็นสมมติบัญญัติก็คืออยู่กระบุลของคนอีกเมื่อเงิน ลูกพี่สามีจะชู้รัตระนีและวไป จ, จบาลเหตุลูกเป็นศัตรูไม่ให้เกียรติยกย่องในฐานะภระยาเพราะลูกกาลังใช้วิบากกรรมในชาติที่ลูกเป็นกันลยาณมิตรให้สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วมาทําบุญกับหมู่คณะน่นะตอนที่ก็มาลำพึงให้ฟังเป็นนี่เป็นสิ้นอย่า ง, งนั้นอย่างนี้อะไรต่างแล้วลูกจใจอ่อนไอ้สุด ก, ก็อ่อนใจ จนบุญส่งผลให้รับพ้นหนี้สินแล้วมาปิ้งตัวลูกก็จําได้ไหมจ๊ะจําจได้จนมาขออยู่กับลูกโดยที่ลูกก็เต็มใจที่จะเป็นภรรยาเขาบอกบ้านนี้สวยดีขออยู่ด้วยจ๊บอกบ้านสวยดีแต่ไม่ได้บอกว่าตัวลูกสวยเทําให้เขาอยากอยู่บ้านนี้สิเลยเลิกกับภรรยาเก่าทีนี้ไปอยู่ๆไปนี่ ลูกก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมานี่ชักยึดมั่นถือมั่นเลยแหละ ว, ว่าเป็นของเราทุ ก, กูของกูเลยเกิดขึ้นลูกเลยห้ามา ไ, ไาาม<า>่หมให้เขาไปช่วยเหลือภรยาเก่าด้วยนี<า>่แหละจ้าห้าแม่เขาไปช่วยเหลือภรยาเก่าด้วยดังนั้นวิบากกรรมนี้จึงทําให้สามีปฏิบัติตัวกับลูกเหมือนได้เคยปฏิบัติตัวกับภรรยาเก่าของเขาตอนที่อยู่กับลูกในชาตินั้นเลยใช่นี่นี่เห็นไหมใช่ ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของใครไม่ใช่เป็นบททดสอบเลยทํามาเองเนี่เป็นมารประสงค์คไม่ใช่พระประสงค์ให้ลูกอดทนนะ ล, ลูกนะใช้บุบาปกรรมไม่ได้ใจที่ใสและเยือกเย็นแล้วก็สั่งสอนบนในมงม่างในทุกบนอย่าไปเสียเวลาคิดเรื่องนั้นไปเลยรนาะธิฐานจิตให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์นในพบชาติต่ตอไป เพชีวิตการคลองเรือมันก็เป็นทุกอย่างนี้แหละจ้ามันเป็นทุกอย่างนี้แหละการคองเรือจะให้ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยให้ได้คู่ชีวิตเหมือนแทงหวยอนะ่ะเลือกคู่เลือกคนมีกิเลสมาเป็นคูนะ่มันเหมือนแทงหวยห ว, วยใต้ดินกันมีห ว, <laughs> วยบนดินกัน <laughs> คือแล้วก็หวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งบางทีก็ถูกสองตัวบางทีก็ถูกกิน ถ้าถูกสองตัวมันก็ดีชั่วคราวมันก็ดีแค่สองตัวคือตัวตัวตัวนี้นกับตัวนี่เนื่อแม่กับถูกกินนี่เหมือนกส่วนสามีก็จะมีวิบากกรรมส่วนตัวทบต้นชาติที่แล้วก็มีกับภรรยาเก่าชาตินี้ก็มีกับตัวลูกนี่แหละต่อไปเนี่ยพบเบืนะ้องหน้าดังนนชาตินี้ก็ลูกแผ่เมตตาให้ให้เขาเถอะ ทำใจใสๆจะดีกว่าจะไปเสียเวลาคิดแล้วมันกลุ่มเลือดเอาเวลาที่จะไปคิดอย่างนั้นนะเอามาทำบุญเอามาทำมาหากินมารวยดีกว่าเพราะเราเสียเวลาไปนะไปคิดในสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระแถมทุกข์อีกถ้าคิดแล้วรวยเลือคิดแล้วเป็นความสุขเช่นนึกถึงดวงใสๆอย่างนี้คิดไปเถิด <c oughs> เวลาที่เสียไปนั้นสิ่งที่เราได้มาคุ้มสิ่งใดคุ้มควรคิด ถ้าคิดแล้วไม่คุ้มไม่ควรคิดนี่แหละจ้าคิดแล้วกลุ่มควรไหมควรไม่คว ร, ควรอคิดแล้วเป็นสุขควรไม่ควรควรจ้านี่เป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะมันแล้วแต่เราอ่ะเราจะเอาอะไรเข้ามาไว้ในใจเราถ้าอยู่ว่างๆจะให้กลุ่มแล้วก็คิดเรื่องกลุ่มถ้าอยู่วโอ้เรามีเวลาจํากัดไล้โเรคิดเรื่องดีซะแค่คิดเรื่องมีให้มีความสุขนนะ <ś led> วันหนึ่งก็หมดเวลาไปแล้วจะคิดไม่จบเลยคิดไม่จบเลย แค่คิดเรื่องความสุขเรื่องความดีในวันๆคิดไม่จบเลยนี่เราจะคิดถึงดวงสใสๆนะองค์พระสใสๆนะคิดเรื่องอะไรแหละจะทำแคสตั ด, ดี้คิดเรื่องทำโน่นทำนี่โอ้วันนึงนนไมมีแค่หยิบสี่ชั่วโมงหมดแล้วหลับตาลืมตาสองทีมืดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฟังโซโลมอนนาะดี ดังนั้นชานี้ให้แผ่เมตตาให้เป็นกิริยามิตรกับตนเองมากๆให้เป็นกิริยามิตรให้กับตนเองมากๆฟังอยู่หรือเปล่าลูกฟังอยู่สักวันหนึ่งเมื่อเขาประสบทุกข์หนักคนแรกที่เขาจะคิดถึงคือตัวลูกนั่นแหละตัวลูกนั่นแหละเขาจะคิดถึงแต่ต้องลูกก็ต้องสร้างที่พึ่งภายในให้เรามันคงซะก่อนให้มีภูมิคุ้มกันซะก่อนคุ้มกันไม่ให้ปากเรา อะไรล้เนเราจะปากไปอัดเขาให้หายให้สะใจอะไรกันหรือฟังเรื่องโซโลมอนมากๆกลัวจะไปกินเขาสิเพราะต้องนั่งสมาธิไอ้เยอะๆนึกถึงบุญเอาไว้นะจ๊ะลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิตสองคนโดยไม่ได้แต่งใจพระกันในอดีตลูกได้ไปอนุโมทนาบาปคนที่เราไม่ชอบแคเราเกลียกคนเนี้ย แต่พอเขาตายก็พลอยยินดีอืม้มปกษาทูดีแล้วตายแล้วดีไหนใครเคยทําอย่างนี้มัง่งไม่มีนะอ่าดีมากจาก้ะเพราะพอ ย, ยินดีอย่างนี้จริงนะให้ไปดึงดูดผู้ที่มีกรรมปานาติบาตฟังให้ดีนะลูกนะแปลนโมทนาบาตอย่างเนี้ยทําให้บาปนีก็เซตโปรแกรมไว้ในตัวดึงดูดผู้ที่มีกรรมปานาติบาต ซึ่งเป็นกรรมส่วนตัวของเขามาตายเพราะเราจะขอยืมรถเราชนหน่อยเดียวเดินทางสู่ปโรโลกก็จะมีวิบากกรรมบ้างนะนิดหนึ่งที่อา จ, จําให้เราไปประสบอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกันแต่แต่ว่าไม่ได้หนักหนาเหมือนเขานะเช่นกำลังเฟินเไม่น่าทำชันเลยโครมกาลังเฟินเิ ไม่น่าทำทำไมจึงทำกับฉันได้โครมมาข้างหลังอย่างนี้คือมีวิบากกรรมนิดหนึ่งแค่การชนบุบนิดหนึ่งหร<อ>ือแค่บัดปาดหนะ้าชื่อระเบียกอีก้หน้า อ, อ ก, กระเบกระแทกกพวงอะไรหัวใจจะวายเนี่ย<อ>วิบากกรรมจะมีระดับอย่างเงี้ย เพราะนั่นลูกก็ต้องทำบุญทุกบล้วทุกอทิตย์ไปให้เขาบ่อยๆจนความรู้สึกนี้หมดไปจากใจคนสองคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วด้วยบุญที่ลูกอุทิศไปให้เนี่ยแหละจ้ะอตอนแ้วเขากวนเวียนกระเซาอรกระเซิงกันไปแต<อ>่พัลับบุญได้ที่ลูกทิศไปให้เขาเนี่ยเขาก็ไปเกิดแล้วเพราะนั่นต่อจากนี้ไปลูกอย่าไปคิดนะลูกนะเลิกเลยจบแล้ว ลูกสาวอายุสองขวบกว่ารับลูกแก้วไว้ในมือแล้วพูดว่านี่คือมอยกิงด้อมเนี่ลูกสาวก็พูดไปตามภาษาเด็กจ้ะไม่ได้มีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งหลักจ้ะก่อนมาเกิดลูกสาว ม, มาจากทีด่ดีดีที่สว่างพญาท่านทราบดีว่าเป็นเด็กมีบุญมาเกิดเขาเป็นเด็กดีนะจ๊ะ แต่นี้เขาเขาแกล้งไม่เป็นเด็กดีชั่วคราวกันนั้นแต่ลึกๆเขาเป็นเด็กดีนะจ๊ะเขาเป็นเด็กดีไปบอกเขานด้จ้ะว่าครูแม่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นเด็กดีแต่วัของเขาก็เป็นอย่างนั้นนะลูกก็ต้องครับครองเขาเอาไว้ให้ดีโดยใจติดใสและเยือกเย็นผูดกับเขาดีๆเมื่อเขาต่อขึ้นกว่านี้ก็จะครอดกมีความคิดที่ดีๆจ้ะเขาก็จะเอาความคิดดีๆมาใช้ อย่าไปวิตกกังวลจัเกินไปในช่วงนี้ที่ลูกยังเตือนเข้าไม่ได้แล้ว ก, ก็ทําบุญทุกบุญแล้วก็นึกถึงบุอันติฐานจิตที่บุญนี้ไปคุ้มครองเขาอาจารย์คุ้มครองลูกให้เป็นเด็กดีคนภไยคนพ่านก็ให้ห่างไกลที่เป็นบันณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้แตให้นึกอย่างนี้จะคุณแม่สามีต้องผ่าตัดสมองสองครั้งและจําใครไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำาหารโดยการทุบหัวสัตว์ กับก ร, รมุสาเวลาค้าขายในหลายหลายวาระมารวมส่งผลจานี่เราเรียกมาลาเคสแล้วใช่ไหมจ๊ะช่วงนี้ลูกจะทําบุญแทนท่านไปก่อนเถิจ้าเพราะท่านมันก็จะรู้เรื่องแล้วจะแนะนํนนาอะไรท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จ้าคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดา สายคนทันกันสูงฉันเจตุมหาราชิกาด้บุญที่ทำอุทิศให้ท่านไปกับบุญที่พ่อทําเองอยู่บ้างในพุทธศาสนาส่วนแม่จะได้บุญที่อุทิศให้เนี่ยเป็นหลักจ้ะแม่น่ยจะได้บุญที่อุทิศให้เป็นหลักเพราะว่าอายุท่านสั้นกว่าพ่อนี่ยพมารทั้งสองอยู่ใกล้กันจ้ะ ท, ทั้งสองดีใจที่ได้พบกัน และก็ทราบซึ้งใจว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกลูกเดชทําบุญดูทิพย์ไปให้ท่านถ้<อ>าไม่ทําบุญดูิพย์ไปให้ท่านท่านกลับมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่นี่ลูกเดชยินเสียงพระสวดมนต์และเห็นดวงแก้วใสเรียงกับเป็นสายเพราะจิตที่เป็นกุศลและใจที่หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งใชให้ประคองใจหยุดนิ่งต่อไปแต่ามาภายในก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกใช่ โลกและพิชัยคนที่สีที่แสนดีเป็นกาณพิธีการและกันแล้วก็กชวนกันเข้าวัดเพราะเคยชวนกันสร้างบุญมาในอดีตโดยก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้แหละจ้าชาติก็มาเกิด ก, กูนกันอีกแล้วก็ได้ชวนพี่น้องเข้าวัดทุกคนลูกทั้งสองสร้างบรมีกมุขณะมาแบบกองเสเบียง ประเภททําตามกําลังและบางครั้งก็ทําตามอารมณ์ทําตามกําลังคือกําลังมีเท่าไหร่ก็ทําตามกําลังทัศน์ทัวทําได้แต่บางครั้งก็ทําตามอารมณ์บางทีก็ทําบางทีก็ไม่ทํานะโดยเฉพาะพิชาคนที่สี่ที่แสนดีนี้เมื่อพุทธัญญาที่ผ่านมาโดยเฉพาะพิชาคนที่สี่ที่แสนดีนี้ เมื่อพุทธัญญที่ผ่านมาได้เป็นแ้นกุลบุตรไม่ได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชก็เป็นกองเสบียงทาหน้าที่เป็นกองเสบียงแต่ว่ามีวิบากกรรมในชาติหนึ่งมีอยู่ชาติหนึ่งนะที่มาส่งผลในปัจจุบันนี้ ที่เคยเป็นเจ้ามือการพานันทุกคนมันก็มีกิเลส น, น, นะนะแต่ช่วงไหนที่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ครบคนบานเคยเป็นเจ้ามือการพานันได้มีกลริีที่แยบยลทำให้ดูทรัพย์มาจากนักพนันทั้งหลายดังนั้นวิบากรรมนี้นะ ได้มาทวงความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ดูเหมือนหน้าจะดีแต่ไม่ดีดังที่ตั้งใจวิบากกรรมนี้เป็นหลักจ้ะบิบากกรรมนี้มันมาทวงจะแก้ไขก็ให้ตัวลูกคอยเป็นกระเลมิตให้พี่ชายอยู่ในบุญ เพราะพื้นฐานใจของเขาเป็นคนตั้งใจดีแต่ว่ามีวิบากกรรมดังกล่าวนำมาตปรปอนเท่านั้นลูกต้องคอยให้กำลังใจเขาบ่อยๆนะจ๊ะอย่าไปถือสาอะไราเขาเมื่อเขาตั้งใจดีอยู่ในบนุญและรู้จักความพอดีต้องความพอดี รู้จักประมาณกำลังของตัวก็พอจะเอาตัวรอดได้คือบางทีใจบุญใจใหญ่อยากจะทําบุญเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ากำลังบุญในดีของตัวมีแค่ไหนเพราะนั้นถ้าทำเกินกำลังอะไรต่างๆไปเนี่ยบางทีก็ทำให้ลำบากใจทุกข์ใจเพราะนั้นต้องต้องแนะนาเขาในะจให้ตั้งใจอยู่ในบุญ และรู้จักความพอดีรู้จักประมาณกําลังของตัวก็พอจะเอตัวรอดได้คุณยาจารย์ท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้จ้ยาใหญ่นักก็ไม่ไหวเล็กนักก็ไม่ได้ให้เอาพอดีพอดีแล้วจะดีจ้าคือเราดูกําลังของเราแล้วมันใหญ่นักเนี่ยมันไม่ไหวเ ล, เ, เ, เ, เ, เล็กนักเราเกิดมาสร้างบารมีเล็กนก ก็ไม่ได้แ้่ก็พอดีที่เรายังมีความสุขแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูไม่ญากก็จะเอาใจช่วยนะจ๊ะจะเอาใจช่วยให้ประสบความสมเร็จในชีวิตให้คิดได้ให้รู้จักพอดีให้รู้จักประมาณ ก, กำลังของตัวไม่ให้โกรมใจให้ใจสใสใสให้กราถึงพระภายในตัว ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบา ร, รมีให้เต็มที่ในทุกบุญราติฐานจิตตามติตบญสิทธิบรีวงบุญวิเศษเครบรมโพธิตว์จะได้พลักกันเลยจ้ า, านี่ก็เป็นเรื่องราผมเคสดดีสั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้